เรื่องเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องของคุณแอนนะคะคุณแอนเป็นคนจังหวัดลบบุรีค่ะสมัยก่อนก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทําสวนอยู่ที่บ้านในสมัยนั้นวัดแถวบ้านเนี่ยก็จะมีลิเกยอยู่บ้างหนังกลางแปลงบ้างเป็นอะไรที่ชอบมากๆเลยของคนต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือว่าจะเป็นพวกเด็กๆแล้วก็คนแก่นะคะเพราะว่าเป็นที่ชุมนุมพูดคุยกันพวกเด็กๆก็จะตามแม่มาวิ่งเล่นกันตามระษา ซึ่งคุณแอนตอนนั้นก็ยังวัยรุ่นอยู่อายุประมาณ14บสปีก็ได้นัดกับเพื่อนออกมาคุยกันมาซื้อของตามร้านที่มาขายในวันนั้นซึ่งเป็นวันพระใหญ่แล้วก็มีลิเกพร้อมกับหนังกลางแปลงม า, าแสดงที่วัดนะคะคุณแอนนัดกับเพื่อน4ี่คนแล้วก็ออกไปกันพร้อมๆกันในสมัยนั้นเนี่ยก็เดินกันไปตอนไปก็มีคนเดินกันไปเป็นกลุ่มค่ะไม่น่ากลัวอะไรคุณแอนบอกว่ า, าก็เดินไปกับเพื่อนก็พากันไปดูหนัง ทีนี้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นลิเกเพื่อนของคุณแอนสองคนนี้ขอตัวกลับก่อนเพราะว่าเขาจะไปงานบ้านญาติที่ต่างจังหวัดก็เลยเหลือเพียงแค่คุณแอนกับเพื่อนอีกคนหนึ่งก็นั่งดูหนังกันต่อแล้วก็ลิเกกันก่อก็แสดงเสร็จก่อนหนังนะคะคือลิเกเนี่ยเขาก็จะเล่นไปเรื่อยๆจนจบพอจบปุ๊บหนังยังฉายอยู่ค่ะยังไม่จบเลย ก็ทําให้คนแก่บางคนบางส่วนที่ไม่ชอบดูหนังกลางแปลงก็จะกลับไปก่อนคุณแอนกับเพื่อนก็ยังคงนั่งดูหนังกันจนจบ2เรื่องควบก็ทยอยกันกลับไปเพราะว่าคนก็กลับไปเยอะแล้วนะฮะบางคนก็เดินบางคนก็ขี่จักรยานซึ่งคุณแอนกับเพื่อนนี่เดินออกมาก็เห็นเพื่อนบางตาละคนก็ไม่เยอะละเริ่มน้อยแล้วทีนี้ก็เลยเริ่มเดินทางกลับกันนะคะ ตรงที่เธอเดินทางกลับเนี่ยมันก็มืดคือไฟฟ้าตามต่างจังหวัดเนี่ยมีไม่ค่อยมากเท่าไหร่ก็มีเป็นระยะตามจุดสำคัญ mm. เช่นหน้าหมู่บ้านที่คุณแอนเดินมาถึงก็จะเป็นศาลาหน้าวัดก็จะเห็นว่ามีคนแก่ผู้ชายคนนึงผมผมนั่งอยู่ตรงนั้นนะคะจริงเป็นที่มืดๆไม่มีไฟแต่ว่าพอเห็นอ่าพอจะเห็นว่ามีคนนั่งอยู่เพราะว่ามันมีแสงจันทร์อยู่บ้างคนแก่คนนั้นเนี่ยเขานั่งหันหลังให้ ก็เลยเดินเข้าไปเพื่อจะชวนกลับด้วยกันพอเข้าไปใกล้ๆค่ะก็เห็นว่าเขาเนี่ยไม่ได้ใส่เสื้อผอมมากๆดูจากด้านหลังนะคะจากนั้นก็เลยถามแกไปบอกว่าลุงเดินไม่ไหวเหรอกลับกันไหมพวกหนูก็จะกลับเผื่อช่วยพยุงลุงกลับได้บ้างถามไปแกก็เงียบเฉยค่ะแล้วคุณแอนก็เลยถามอีกว่าบ้านอยู่ในหมู่บ้านหรือเปล่าแกก็เลยเงียบเหมือนเดิมคุณแอนก็เลยคุยกับเพื่อนว่าแกคงจะไม่ได้ยินเนี่ยน่าจะเป็นคนแก่หูไม่ค่อยดีทีนี้ เพื่อนแล้วก็คุณแอนเนี่ยก็เลยพากันเดินอ้อมไปข้างหน้าเพื่อที่จะไปดูหน้าคุณลุงคนนี้นะคะเพื่อที่จะให้แก่เห็นวา่าเป็นคุณแอนกับเป็นเพื่อนนะพอเดินไปถึงข้างหน้าค่ะคุณแอนกับเพื่อนใจหายแวบเลยใจนี่บอกว่าหล่นลงไปอยู่ที่ตาตุ่มขนลุกขนพองไปทั่วร่างกายเกินคําบรรยายเพราะว่าในความรู้สึกขณะนั้นเพราะภาพที่เห็นคือลุงเจตาโบสองข้างคือไม่มีลูกกตาแล้วอ้าปากกว้างมากตัวของแกก็ คือผิวหนังแก่คือมันเป็นมันขวับเลยเนะะี่ยค่ะคือมันเป็นมันแบบหนังที่ลอกออกมาใหม่ๆทั่วทางหน้าอกแล้วก็หน้าท้องพอเห็นแบบนั้นแลยค่ะไม่ปรึกษาหารือกันเลยคือวิ่งอย่างเดียวแบบไม่คิดชีวิตกลับขึ้นกลับเข้าไปในหมู่บ้านคือคุณแอนบอกไปถึงบ้านเมื่อไหร่ก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเพื่อนมันวิ่งตามมาด้วยติดๆจากเหตุการณ์วันนั้นที่เห็นกับตาว่า มีคนแก่นั่งอยู่ศาลานี่แหละนะคะก็เลยทำให้รู้ค่ะว่าผีมีจริงและคุณแอนบอกว่าเวลาทำบุญเวลาไปวัดก็กรวดน้ำให้ลุงคนนี้เสมอนะคะส่วนเพื่อนที่ประสบเหตุการณ์ขนหัวลูกที่ไปด้วยกันนี่ปัจจุบันนี่เป็นครูสอนเด็กประถมแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านหมี่ที่จังหวัดลบบุรีนั่นเองนะคะ เมื่อประมาณปีที่แล้วนะคะคุณผู้ฟังคงจะเห็นพาดหัวข้อข่าวหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์หรือว่ารายการผีต่างๆหรือว่าจะเป็นข่าวทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆนะคะก็ประคมข่าวกันเรื่องของผีที่สาราการประเรียนวัดบ้านแก่จังหวัดอ่างทองซึ่งขณะที่พระเอวยชาวบ้านเอยไม่กล้าเข้าใกล้ก็ปล่อยให้ร้างไปด้านจเจ้าอาวาสวัดนี่ก็ยืนยันว่ามีผีจริงๆหลังที่เคยเจอกับตัวเองมาแล้ว ก็ที่เหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้ที่วัดบ้านแกตตำบลสีพรานอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองนะคะนายเสถียรจันทรอายุ62ปีซึ่งเป็นชาวบ้านที่อยู่ในอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองค่ะเป็นเจ้าของสถานีวิทยุชุมชนเกตชัยโย บอกว่าสาราการป ร, รียนวัดบ้านแกนี่ผีเฮียนมากจนชาวบ้านไม่เข้าวัดนอกจากจะมีงานจึงจะมาที่วัดกันเท่านั้นหลังจากรับแจ้งก็เลยเดินทางไปยังวัดบ้านแกค่ะเพื่อตรวจสอบความจริงก็พบ ก, กันกับพระครูสัตยานุยุทธ์นะคะเจ้าอาวาสวัดบ้านแกก็กำลังทํางานอยู่ในวัด ก็เลยเข้าไปสอบถามหลวงพ่อท่านก็ได้เล่าความเป็นมาของสาราการประเรียนที่เฮียนว่าเป็นเรื่องจริงโดยชาวบ้านในละแวกวัดต่างเห็นกันมาแล้วจนปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านไม่มาที่สาราการประเรียนนี้แล้วนอกจากจะมีงานเท่านั้นจึงจะพากันมาที่นี่นะคะหลังจากนั้นก็ได้ให้พระลูกวัดแล้วก็ชาวบ้านพาไปดูที่สาราการประเรียนค่ะก็พบว่าบนศาลาการปรเรียนเนี่ยเป็นเมนเผาศพ ต่อติดกันที่ด้านหลังแล้วก็พื้นสาราการประเียนสกปรกมากมีทั้งขี้นกเอ้ยขี้หมาเอยแล้วก็ขยะเต็มไปหมดส่วนด้านล่างก็มีจอมปลวกขนาดใหญ่เหมือนโกดใส่กระดูกนะคะแล้วก็ยังมีสารเพียงตาที่ประกอบพิธีกรรมอยู่ด้วยหลังจากนั้นก็ได้สอบถามชาวบ้านในละแวกนั้นเพื่อค้นหาความจริงจากศาลาการปรเียนนี้โดยนางรุ่งทิพย์ค่ะที่เป็นชาวบ้านใน แถวนั้นแหละนะคะที่เคยเจอกับตัวเองมาก็บอกว่าวัดบ้านแกนี่อยู่ที่ตําบลสีพรานก็จริงแต่ว่าติดกับตําบลหนองแม่ไก่ด้วยส่วนใหญ่ชาวบ้านหนองแม่ไก่จะจัดงานก็ใช้วัดบ้านแกเพื่อที่จะดําเนินการซึ่งตัวเองก็ได้ประสบพบเจอมาแล้วในงานศพของกํานันเฉลียวบุญสัมฤทธิ์สามีของตัวเองเนะะี่ยค่ะเมื่อปี45ในขณะที่ตัวเองมาวัดตั้งแต่เช้าเลยเพื่อจะทําอาหารเช้าถวายพระเมื่อเข้าครัวน้ําปลาหมดค่ะ เลยโทรศัพท์สั่งลูกให้ซื้อน้ำปลามาให้หลังจากนั้นพอสักพักหนึ่งก็มีรถจักรยานยนต์วิ่งเข้ามาที่ศาลาซึ่งตัวเองก็เลยลงมาเพื่อจะไปรับน้ำปลาไปประกอบอาหารแต่ว่ารถจักรยานยนต์ไม่จอดที่บันไดรถนะคะกลับวิ่งเข้าไปใต้ถุนศาลาแล้วหายไปเฉยๆเลยตัวเองวิ่งตามไปกลับไม่เจอเจอแต่คนที่กาลังเดินมา ก็เลยสอบถามปรากฏว่าไม่มีใครเห็นรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวเลยหลังจากนั้นตัวเองก็ไม่เคยมาวัดนี้อีกเลยนะคะด้านพระสมฤทิค่ะซึ่งเป็นพระลูกวัดบ้านแก่บอกว่าตัวเองนี่เกิดที่นี่รู้ความเป็นมาของสาราการประเรียนโดยได้สร้างเมื่อปี2512เมื่อสร้างตอนนั้นเนี่ยก็จะมีการเผาศพที่กองฟอนนะคะแล้วก็มาสร้างเมนเผาศพเมื่อปี2528 ที่ติดกับศาลากา ร, ปรเปรียญจึงนําศพไปเผาบนศาลากา ร, ปรเปรียญที่ต่อด้านหลังเป็นเมนทั้งชาวบ้านแล้วก็พระก็เจอความเฮี้ยนกันทั้งนั้นจนปัจจุบันนี้ไม่มีใครเข้ามาวัดตามลําพังคนเดียวส่วนใหญ่ก็มากันเป็นกลุ่มนะคะหลายๆคนเพราะว่ากลัวกันทีนี้จะเอาวัดวัดบ้านแกก็บอกว่าเรื่องของศาลากา ร, ปรเปรียญเนี่ยที่มีคนเจอผีกันทั้งนั้นท่านบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนขึ้นอยู่กับจิตที่อ่อนไหวมากกว่า มันก็แปลกเพราะว่าสารากา ร, ปรเปลี่ยนนี้สร้างมาตั้งแต่ปี2512ปัจจุบันยังสร้างไม่เสร็จเลยเปลี่ยนผู้รับเหมามาแล้วกว่าร้อยรายค่ะเพราะเมื่อทําแล้วก็ต้องทิ้งหนีไปหมดโดยบางรายนะนอนเล่นอยู่ใต้ถุนสาลาก็มีคนไปปลุกบอกจะเอาวาดเรียกแล้วก็มาหาตัวเองซึ่งตนก็บอกว่าไม่ได้ให้ใครไปตามมันก็แปลกอยู่นะคะส่วนในของสาลากา ร, ปรเปลี่ยนที่สกรปรกนั้นเมื่อมีงานถึงจะทําความสะอาดเพราะถ้าทําความสะอาดปุ๊บ มีคนตายเป็นประจำเลยซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันทั้งนี้นี่คะพระคระูที่เป็นเจ้าอาวาสท่านก็กล่าวอีกว่าในส่วนเรื่องของสาราการประเรียนที่เฮียนเนี่ยอาตมาไม่เคยเจอเป็นตัวเป็นตนแต่ก็ได้เจอแต่เรื่องแปลกเมื่อหลังจากจัดงานเสร็จแล้วอาตมาก็ยกคัทเอาท์ลงแต่ปรากฏว่าไฟมันไม่ดับก็เลยลองยกคัทเอาท์หลายครั้งก็ไม่ดับ ก็เดินกลับไปสักพักหนึ่งจึงเดินมายกคัดเอาอีกครั้งอ่ะปรากฏว่าดับซึ่งอาตมาจึงรู้ว่ามันน่าจะมีผีจริงๆนะคะเรื่องนี้คุณผู้ฟังก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยก็แล้วกันถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยนะคะส่วนใครที่จะไปลองของหรือว่าจะไปดูจะไปพิสูจน์นะคะซึ่งปัจจุบันนี้ ศาลาการประเรียนที่วัดบ้านแกจังหวัดอ่างทองก็ยังคงอยู่ยังไม่ได้ทุบทิ้งแต่ประการใดแต่ว่าถ้าจะไปลองหรือว่าจะไปดูยังไงก็ขอให้เข้าไปขออนุญาตจากจเจ้าอาวาสวัดบ้านแก่กันก่อนด้วยก็แล้วกันนะคะอีกสถานที่หนึ่งค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเป็นวัดเหมือนกันอันนี้ก็เคยประโคมข่าวแล้วก็มีรายการผีต่างๆเนี่ยตามไปพิสูจน์กันเยอะแยะหลายรายการเหมือนกันนะคะ บทพิสุดิ์แหล่งท่องเที่ยวอาถรรพ์ค่ะชวนคนหัวลุกอุทยานกลางแจ้งหุ่นฝังวิญญาณที่นี่หลายคนถ้าเอ่ยชื่อขึ้นมานี่ต้องรู้แน่นอนนั่นก็คือสำนักสงรรางอาจารย์ซ่วนเกจิชื่อดังเมื่อ30ปีก่อนของเมืองแปดริ้วที่ถูกปล่อยทิ้งรกร้างมานานถึง24ปีเต็มค่ะจนกลายเป็นผืนป่าอึมครึมอันน่ากลัวนะคะ นางสายพินเจนภูมิเดชนะคะซึ่งเป็นชาวพนมสารคามหนึ่งในเด็กสาวที่ถูกนำมาฝึกหัดให้เป็นผู้ช่วยช่างปั้นปูนปฏิมากรรมปูนปั้นทั้งหลายเหล่านี้ตั้งแต่เมื่อครั้งเธอยังอยู่ในว 18, ัย 18-19 ปีก็ได้เล่าให้ฟังบอกว่าอาจารย์ส่วนปัญญาทโรเจ้าของสำนักสงแห่งนี้เนี่ยท่านได้มรณภาพไปนานแล้วตั้งแต่ปี2536นะคะ สำนักสงฆ์แห่งนี้ซึ่งปลูกสร้างบนพื้นที่ดินส่วนตัวซึ่งเป็นสมบัติของนายวันผู้เป็นบิดาของพระอาจารย์เนื้อที่ก็ประมาณสองไร่ค่ะก็เลยถูกปล่อยทิ้งร้างมาเป็นเวลานานถึง24ปีเต็มสภาพพื้นที่นี่ก็เลยดูรกร้างแล้วก็หุ่นปั้นตามจินตนาการแล้วก็วรรณคาดีต่างๆจํานวน242ตนก็ได้ถูกปล่อยทิ้งเอาไว้จนมีต้นไม้เอ่ยเถาวัลย์เอ่ยขึ้นรกคลึ้มไปหมดจนดูน่าสะพรึงกลัวสําหรับผู้ที่ได้เข้ามาพบเห็น โดยหุ่นปั้นในสำนักสงร้างของพระอาจารย์ส่วนแห่งนี้ค่ะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ่นปั้นตามวรรณคดีนนไทยแล้วก็หุ่นปั้นทางาศาสนาต่างๆทั้งจีนอินเดียเช่นหุ่นปั้นในพุทธประวัติหุ่นปั้นเจ้าแม่กาลีในาศาสนาพราหมณ์ของอินเดียหุ่นปั้น8เซียนของจีนแล้วก็เจ้าแม่กวนอิมตลอดจนรูปปั้นยักษ์จากวรรณกรรมต่างๆเปรตอสุรกายจากเรื่องพระภัยมณีนาง12แล้วก็ขุนโจนที่มีชื่อเสียงในอดีตนะคะมากมายหลายร้อยชนิดค่ะเนื่องจากว่า พระอาจารย์ส่วนเองในท่านเป็นคนชอบสร้างหุ่นช่วยเหลือคนเพื่อสะดอกเคราะห์ให้กับผู้คนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือแล้วก็หุ่นทุกตัวที่สร้างขึ้นก็จะมีส่วนผสมของกระดูกผีตายโหงตามวิชาอาคมที่ท่านได้เรียนมาแล้วก็มีการตั้งโต๊ะทาพิธีเส้นไหว้ในทุกๆตนที่สร้างขึ้นก็เลยยิ่งทาให้ป่าหุ่นปูนปั้นแห่งนี้เนี่ยดูขลังวังเวงจนน่าสะพรึงกลัวนะคะโดยเดิมทีนั้น พระอาจารย์สุวนเองท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดท่าลาดใต้ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเยื้องกันกับริมคลองท่าลาดใต้สายนี้แต่ว่าหลังจากที่มีผู้คนทั้งในแล้วก็นอกพื้นที่ก็พากันเดินทางเข้ามาขอให้ท่านช่วยเหลือแล้วก็เข้ามาขอเครื่องรางของขลังค่ะโดยเฉพาะปะลัดขิกเรียกทรัพย์จากท่านเป็นจํานวนมากอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันก็เลยทําให้ท่านไม่ได้พักผ่อน เพราะว่านอกจากจะรับแขกหรือว่ายาตยมที่เดินทางเข้ามาเข้ามาหาท่านแล้วเนี่ยท่านยังต้องทำงานภายในวัดอื่นๆด้วยพระอาจารย์ก็เลยได้ข้ามมาก่อตั้งสำนักสงฆ์แห่งนี้เพื่อเอาไว้ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหลบหลีกจากการถูกรบกวนของผู้คนนะคะด้วยการพายเรือข้ามฝั่งมาพักผ่อนอยังสานักสงฆ์แห่งนี้เมื่อต้องการพักผ่อนอย่างเต็มที่นั่นเองค่ะโดยที่วัดทาลาดต้นี่เอง ปัจจุบันก็มีหุ่นปูนปั้นรูปร่างต่างๆเหล่านี้มากมายเช่นเดียวกันแล้วก็ยังมีอายุเก่าแก่มากกว่าหุ่นปั้นในป่าสํานักสงร้างอีกด้วยแม้ว่าจะถูกพระสงฆ์ที่เข้ามาอยู่ภายในวัดท่าลาดใต้ในยุคหลังถ่ยทิ้งไปบ้างแล้วก็ตามหุ่นปูนปั้นที่วัดท่าลาดใต้นั้นมีอายุ50ปีขึ้นนะคะส่วนหุ่นปั้นในสํานักสงร้างส่วนใหญ่อายุประมาณ40ปีเศษเท่านั้น ทีนี้เนี่ยนายรณชัยลี่เสงนะคะก็เป็นชาวพนมสารคามเหมือนกันอดีตเด็กวัดพงสารามซึ่งอยู่ไม่ห่างจากสำนักสงฆ์แห่งนี้มากนะักก็บอกว่าตั้งแต่ตัวเองเป็นเด็ก ตั้งแต่12ปีเมื่อครั้งที่พระอาจารย์ส่วนมีชีวิตก็ได้เข้ามาวิ่งเล่นที่สำนักสงฆ์แห่งนี้อยู่เป็นประจำเพราะว่ามีของกินมากมายเนื่องจากมีผู้คนเข้ามาขึ้นหาอาจารย์มากแล้วก็ยังมีรายได้จากผู้คนที่ได้ใช้ไหว้าวานให้ไปช่วยวิ่งหาซื้อของให้เนื่องจากเส้นทางการสัญจรในสมัยนั้นไม่ค่อยสะดวกแล้วก็ผู้คนก็ไม่รู้จกักไม่คุ้นเคยกับสถานที่แห่งนี้นะคะโดยปูนปั้นต่างๆเหล่านี้ ล้วนมีวิญญาณจากกระดูกผีที่นำมาใช้เป็นส่วนผสมของร่างหุ่นโดยหลายต น, นมีประวัติค่ะมีผู้พบเห็นถึงความแปลกประหลาดหรือเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นให้เห็นแล้วหลายครั้งก็เลยทำให้ผู้คนไม่กล้าเข้าใกล้อย่างสถานที่แห่งนี้ แต่ว่าหลังจากที่มีรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งเข้ามาถ่ายทำในสถานที่แห่งนี้เมื่อ4เดือนก่อนแล้วก็ออกไปเผยแพร่ทำให้ผู้คนเริ่มรู้จักสถานที่แห่งนี้มากขึ้นและก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะเมื่อต้องการเข้ามาพิสูจน์ถึงความลี้ลับอย่างสถานที่แห่งนี้มากขึ้นโดยเฉพาะช่วงเวลากลางวันส่วนช่วงกลางคืนนะคะ วันปกติเนี่ยจะไม่มีใครเข้าไปนอกจากวันใกล้หวยออกเท่านั้นถึงจะมีคนเข้ามาค้นหาเลขเด็ดกันเป็นจำนวนมากเนื่องจากที่ผ่านมานั้นผู้คนได้รับโชคลาภจากหุ่นปูนปั้นต่างๆในสถานที่แห่งนี้กันเยอะแยะมากมายจนมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะก็เลยทำให้ผู้คนเนี่ยต่างพากันเดินเข้ามาเดินทางเข้ามาเป็นจานวนมากโดยเฉพาะในวันก่อนหวยออกนะคะราอัลนายรณชัยกล่าวนะคะทีนี้ คุณป้าจิตราอายุ67ปีผู้ดได้รับโชคลาภเนี่ยก็บอกว่าเออเลขเด็ดจากหุ่นปูนปั้นเหล่านี้ได้เดินทางเข้ามาแก้บนกับหุ่นรูปกุมันกลางตาบอกว่าแม้ตัวเองจะเป็นคนในพื้นที่แต่ก็ยังไม่เคยเข้ามาขออะไรแบบนี้ในสถานที่แห่งนี้มาก่อนจนเมื่อวันก่อนการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดที่ผ่านมาตัวเองถูกไง ก็ปรากฏว่าได้รับโชคจริงๆแม้ว่าจะเป็นแค่โชคเล็กๆน้อยๆก็ตามในวันนี้ก็เลยไปซื้อของเล่นมาแก้บนกันตามที่เคยเอ่ยปากไว้กับหุ่นกุมารเพื่อรักษาสัญญานะคะส่วนเรื่องราวประหลาดประหลาดหรือว่าเหตุการณ์เหนือธรรมชาติแห่งนี้คุณป้าบอกว่ายังไม่เคยพบเจอนะแต่ก็มีเพียงอาการขนลุกตั้งชันเท่านั้นเมื่อเดินผ่านตามจุดต่างๆในสถานที่แห่งนี้ หากจุดไหนเราสามารถสัมผัสกับอะไรบางอย่างได้โดยที่ไม่เคยพบเห็นเป็นตัวเป็นตนหรือมีสิ่งเคลื่อนไหวอย่างแปลกประหลาดผ่านหน้าผ่านตาตามคําร่ําลือ ม, มาก่อนนางจิตราหรือว่าป้าจิตราก็บอกเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังก็ฟังแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยส่วนใครที่อยากจะไปถ่ายรูปไปเดินดูไปอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะสัมผัสกับตัวเองจริงๆเนี่ย ก็ไปได้ที่สำนักสงร้างของอาจารย์ส่วนอําเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเรานั่นเองค่ะทิ้งท้ายกันที่เรื่องราวของเปรตนะคะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของคุณชัยที่บอกว่าไปพบเปรตต้นโพมา คุณชัยบอกว่าบ้านเกิดของคุณชัยเองนี่มีประชากรราวๆ60ครัวเรือนแถบเชิงเขาภูพานค่ะอำเภอ เ, เต่างอยจังหวัดสกลนครซึ่งตอนที่อายุ78ขวบนะคะคุณชัยจำได้ว่ารัฐให้สัมปทานป่าไม้รถซุงวิ่งผ่านหมู่บ้านหลายรอบทางดินฝุ่นตลบเชียวในว่าช่วงเวลานั้นก็มีโครงการพัฒนาป่าไม้ให้เป็นเมืองด้วยแล้วก็มีการประทะกันระหว่างทหารกับ พอกค อ, อบ้างประปรายพอกค อ, อ, อต่อต้านการทํางานของเจ้าหน้าที่ค่ะที่ตัดถนนเสียงเลื่อยเครื่องกดังสนั่นป่าในแต่ละวันหลังจากนั้นผ่านไป10ปีต่อมาค่ะป่าอันอุดมสมบูรณ์ก็เรียบนะคะเหลือเพียงแค่หย่อมป่าเรียกกันว่าดอนผีเปรตเส้นทางมุดลอดต้นโพใหญ่ซึ่งชาวบ้านล่ำลือกันเหลือเกินว่ามีผีเปรตหลอกคนแม้กระทั่งพระธุดงค่ะ หรือว่าจะเป็นคนงานสัมปทานเอ่ยอย่างไม่กล้าเข้าไปตัดไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ยางไม้บากแ้ะก็ไม้แคนนะคะไม้แคนคือไม้ตะเคียนนะคะถ้าเป็นภาษาภาคกลางบริเวณนั้นหากแต่ว่าชาวบ้านรวมๆกันก็ดีใจที่ไม้ใหญ่ถูกโคน่นเหลือเพียงต้นไม้เล็กแผวถางทำไร่ทำสวนได้ง่ายขึ้น ส่วนมรดกทางดินค่ะก็ใช้ขนไม้สูงเชื่อมระหว่างหมู่บ้านหน้าฝนกลางถนนก็ปักควายรถ2แถวอ่าเป็นปักควายนะคือโคลนนี่แหละค่ะรถ2แถวประจำหมู่บ้านหมดสิทธิ์ค่ะหน้าแรงก็กลายเป็นฝุ่นดินอ่าเป็นดินร่วนดินทรายดินแดงนะะี่ค่ะซึ่งช่วงนั้นแต่ละปีนี่แห้งแรงมาก บางปีไม่ได้เก็บเกี่ยวก็มีทําให้หนุ่มสาวเริ่มทิ้งถิ่นเข้าเป็นลูกจ้างในเมืองกรุงหรือว่าเดินทางเข้ามาตายออดับหน้าในกรุงเทพบ้างและหนึ่งในนั้นคือคุณชัยคุณชัยบอกว่าจําได้ว่าบอขอสเข้ากรุงเทพ83บาทโอ้น่าจะนานพอสมควรนะคะงานแรกสมัครก็คือเป็นลูกจ้างร้านข้าวต้มเชิงสะพานตากสินนะคะแล้วก็วันวันนี้ก็ออกมายืนมองสะพานก็นึกว่าเออนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกชัดช เห็นรถลากแว่นท่อนซุงที่บ้านก็ว่าทึ่งละพอมาเจ อ, อะสะพานในกรุงเทพหรือว่าเห็นรถในกรุงเทพวิ่งนี่โอ้มาอัศจรรย์กว่าคุณชายบอกเข้านอนตอนดึกแล้วก็ตื่นแต่เช้านะคะที่นอนดึกคุณชายบอกไม่มีอะไรหรอกเขียนจดหมายหาสาวอยู่หลังส่งจดหมายยังไม่รอตอบกลับคล้อยหลังเดินทางกลับบ้านนอกทันทีถึงตัวสกลนคร8โมงเช้า ก็มีรถ2แถวเข้าหมู่บ้านรอบบ่ายถึงบ้านก็ไหว้แม่เสร็จคว้าจักรยานไปเปลือยไม่มีเบรกไม่มีบางโคนจ้ำอ้าวไปหาสาวต่างบ้านทันทีพบค่ําเธอเพิ่งกลับจากรถน้ําสวนแตงมาก็ยิ้มทักทายแบบเขินๆขึ้นบ้านสินั่งพิงเสารอยังไม่ได้คุยอะไรเลยก็เริ่มมืดแล้วหลังครอบครัวของเธอเองเนี่ยฮะก็ล้อมวงกินข้าวเสร็จพ่อแม่เธอก็เข้านอนเธอก็ย้ายตะเกียงมาตั้งตรงกลางระหว่างที่คุณชัยกับสาวเนี่ยนั่ง มองตากันอยู่ก็ประมาณ3มเมตรได้นค ะ, ะซึ่งนานๆจะมีคำพูดหลุดมาสักคำหนึ่งนั่งทางในกันค ะ, ะไม่พูดอะไรกันมองตากันอย่างเดียวทีนี้น้ำเสียงของคุณพ่อของเธอก็ดังออกมาจากห้องบอกแจมเอ้ยดึกแล้วเขานอนเถอะลูกปกติหนุ่มจีบสาวเขาอยู่กันยันเช้านะคุณผู้ฟังสมัยก่อน ตายละคุณชัยนึกในใจเนี่ยเราจะกลับยังไงวะวันนี้เดือนเดือนเพนด้วยไม่มีเมฆบดบงังมองเห็นทางชัดเจนก็จริงแต่ก็กลัวผีแต่ก็ต้องตัดสินใจฮะควบจกักรยานคู่ใจก็นึกถึงแต่เรื่องเล่าเรื่องเปรตต้นโพห้อยหัวมือยาวแลบลิ้นอย่างที่เขาล่ำลือกันตอนกลางคืนไม่มีใครกล้าผ่านเพียงลาพังเอาละไอชัยมึง ก็เลยตัดสินใจปั่นจั ก, กรยานแล้วก็พยายามคิดเรื่องอื่นเข้ามาแทนจุดหมายไปข้างหน้าแสงเดือนเพนเนี่ยกศ า, ศ า, ศาสส่องมองเห็นเงาของต้นโพต้นยักษ์นะฮะราวกับเงาของภูเขาอยู่เบื้องหน้ายิ่งใกล้ยิ่งมองเห็นเส้นตัดชัดเจนก็เร่งฝีเท้าปั่นเพื่อจะลอดเงาดำอุโมงค์มืดให้ไดวเร็วที่สุดแต่สิ่งที่เขาคิดมันก็มีจริงค่ะขณะที่เร่งฝีเท้า มันมีมือยาวๆ ย, ยืดลงมาดึงท้ายรถจักรยานให้หยุดแบบกระทันหันคุณชายร้องเสียงหลงทิ้งรถจักรยานแล้ววิ่งต่อไปไม่คิดชีวิตจนถึงหมู่บ้านเสียงตะโกนเนี่ยทำให้ได้ยินไปทั้งหมู่บ้านแตกตื่นกันนอนไม่หลับกันยันเช้าก็เลยให้พี่ชายนี่พาเดินย้อนกลับไปเอาจักรยานแล้วก็เล่าเหตุการณ์เมื่อคืนให้ฟังเป็นฉากๆแต่เมื่อเดินมาถึงต้นไทรอ่าต้นต้นโพเนี่ยนะฮะพี่ชายก็เลยตะคอกว่าไอ้เปรดเปรดพ่อมึงสีดึงท้ายรถ เพราะว่าภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าคือจักรยานมันจมทรายอยู่ในร่องทางเกือบครึ่งล้อไม่มีใครเชื่อเขาเพราะว่าเขาก็เริ่มไม่เชื่อตัวเองเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเปรตจะมีจริงหรือไม่มีจริงแต่ป่าผืนนั้นก็หลุดรอดมาได้จนถึงทุกวันนี้คุณชายบอกว่าสิ่งที่ผมหวันคือความเจริญลุกล้ำลบล้างความเชื่ออันเป็นกุศโลบายขอยงคนรุ่นเก่าวันนี้คุณชายอยู่กรุงเทพย้ายทะเบียนบ้านมาเป็นกรุงเทพแล้วกลับไปเยี่ยมบ้านแม่ปีละครั้งสองครั้ง ทิ้งท้ายคุณชัยก็ยังฝากบอกมาบอกว่าจริงๆเมื่อคือนเนี่ยที่ผมมาเนี่ยผมเห็นมือผีจริงๆนะมันไม่ได้จมทรายเพราะเมื่อคือนที่ปั่นรถจักรยานมาเนี่ยมันไม่มีทรายมันมีแต่มือยื่นลงมาจากต้นโพเท่านั้นขอบคุณเรื่องเล่าแบบนี้จากคุณชัยด้วยนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังด้วยวันนี้อาจจะไม่ได้น่ากลัวอะไรมากมายนะคะแต่ว่าฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นก็แล้วกันค่ะหมดเวลาของพระเจอผีประจําคลิปนี้แล้วนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟัง